ในมทัทโธปินเดกสูตรข้อ248ท่านพระมหากัจรยนะได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็รับคาแล้วท่านพระมหากัจรยนะก็ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้าเกลิ่นไม่มีในเหตุนั้นแลคือหมายก็ว่าสัญญาเครื่องเนิ่นช้าเนี่ยเกิดจากอะไรอายตนะอายตนะเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะทิฐิเพราะถ้าจะดับตันหามานะทิฐิเป็นต้นก็ต้องดับที่ อายตนะการที na, ่ดับที่อายตนะได้นั่นแลนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดที่สุดแห่งทิฏฐานุัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จพระนิพพานเนี่ยนะที่ดับอายตนะดับตันหาเหล่านั้นแหละเป็นที่ดับอกุศลธรรมอัลลามกและอกุศลธรรมอัลลามกเนี่ยอาศัยพระนิพพานแล้วก็ดับโดยไม่เหลือหมายว่าถ้าปฏิบัติรอบรู้โดยอาศัยอายตนะเหล่านั้น แต่เนื้อความเหล่านี้เนี่ยนะที่พระองค์ยังไม่ได้ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารพระองค์ประเสดลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้ถึงเนื้อความแห่งอุเทศหัวข้อโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วแต่พระองค์ไม่ชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารให้พิสดารดังต่อไปนี้ต่อไปนาะจะเป็นคาขยายซึ่งเป็นคาขยายที่พระพุทธเจ้าก็รับรอง นะก็อย่าลืมว่าสูตรนี้เป็นอายตนะคถาอายตนะอายตนะสมุทยัยอายตนะนิโรดอายตนะนิโร ธ, านนโรธาคามินีปฏิปทานั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายจากักโควิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและตาหมายว่าอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักผูวิญญาณเพราะประชุมธรรมสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา บุคคลเสวยเวทนาในอารมณ์ใดหมายว่าถ้าได้รับการเสวยเวทนาในอารมณ์ใดหมายว่ามีความรู้สึกจากสีใดๆเช่นมีสีเขียวมีความรู้สึกอย่างไรมีสีแดงเป็นต้นมีความรู้สึกอย่างใดถ้าเสวยเวทนาจากอารมณ์ใดก็สัญญาหรือจำในอารมณ์อันนั้นบุคคลเมื่อมีสัญญาจำได้ในอารมณ์อันใดก็วิตกตรึกถึงอารมณ์อันนั้น เมื่อบุคคลตรึกถึงหรือวิตกถึงอารมณ์อันใดสัญญาเครื่องเนิ่นช้าคือกิเลสเนี่ยนะก็ติดอยู่ที่อารมณ์อันนั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่อารมณ์อันใดส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่อารมณ์นั้นเป็นเหตุเพราะอะไรเพราะมีใจมัวแต่ติดมัวแต่คล้องมัวแต่เพลิดเพลินในรูปทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นรูปนั้นรูปที่เป็นอดีตรูปที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือรูปที่เป็นปัจจุบันนะฟังฟังแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจเลยหลายท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าใจคิดง่ายๆว่าจิตเจตสิก ท, ที่มีรูปเป็นอารมณ์อะไรบ้างขณะที่ปรารลสีมีสีเป็นอารมณ์รูปปรารณ์สีต่างๆภาพต่างๆเนี่ยขณะที่มีสีเป็นอารมณ์มีรูปมีรูปรประคันไหมบมี เพราะสีตัวนั้นเป็นรูปประคันอยู่แล้วหนึ่งสองเวทนามีไหมมีเมื่อกี้ผัสสะมีใช่ไหมมีขณะที่รับอารมณ์นั้นมีสัญญาไหมมีถ้ามีขณะที่มีสัญญามีวิตกอยู่ด้วยไหมมีถามว่ามีเจตนาไหมมีตัณหาเกิดได้ด้วยไหมได้ในชวนะเป็นต้นก็เกิดด้วยได้อดีตฉันใดอนาคตก็ฉันนั้นปัจจุบันก็ไม่ต่างกัน เพราะ้นในทุกอารมณ์คิดง่ายๆว่าถ้าเราเพลิดเพลินติดข้องอยู่ในรูปใดๆเนี่ยนะคิดว่าจะนิพพานได้ไหยไม่ได้อันนี้แหละเครื่องเนิ่นช้ามันเล่นไปอย่างเนี้ยก็เพราะมัวแต่ติดในรูปไงโวแต่ติดในรูปจะฟังดูแล้วมันหมเหมือนจะเข้าใจนะแต่ไม่ไอที่ยากเนี่ยเพราะไม่พยายามจะเข้าใจตามางั้นนะแล้วก็เอ๊ะถ้าเราละแล้วมันดียังไง สมมติถ้าจะดื่มน้ำหวานเนี่ยนะกับจะนิพพา น, นจะเอาไหนก่อนตอนที่ไม่หิวหน้าหนึ่งสบเนี่ยจะเห็นชัดคำอธิบายบอกว่าจากขุนจาวุโซเป็นต้นอธิบายว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมดาจาักสุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักสุภาษาธะโดยเป็นนิสยะปจัย และรูปคือสีที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสีสีที่มีกรรมเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานมีอุตุและอาอันเป็นสมุทฐานนั้นจกักขูวิ ญ, ญญาณอาศัยจักขู่โดยนิสยาปัจจัยอาศัยสีโดยอารัมมณปัจจัยเพราะว่าจากักขูวิ ญ, ญญาณจะเกิดโดยที่ไม่อาศัยตาไม่อาศัยสีเป็นไปได้ไหมไม่ได้จะต้องมีภาชนะรองรับจักขู่วิ ญ, ญญาณคือตาที่อ่ะเรียกว่าเมือ่อกว่าอย่าง เขเคยอุปมาง่ายๆแบบผู้เท่าทั้งหลายเวลาจะยืนเนี่ยมันต้องยืนบนแผ่นดินนะแต่ว่าจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยไม้เท้าจิตเหมือนผู้เท่าที่ยืนเหมือนกับวัตถุไม้เท้าก็เหมือนกับอารมณ์ต้องพยุงอารมณ์นีขึ้นมาน่างั้นอุปขันห้าก็ประชุมพร้อมในขณะที่เห็นแล้วก็ถัดจากเห็นเป็นต้นมาขันห้าก็เกิดขึ้นวันตาสีการเห็นสมอย่างประชุมกันเป็น ภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาขึ้นพร้อมโดยสหาชาติปัจจัยเวทนาเสวยอารมณ์ใดเนี่ยเข้าง่ารู้สึกในสิ่งใดก็จะจําได้ในสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าให้ความรู้สึกกับสิ่งใดก็จะจําสิ่งนั้นได้ถ้าจําสิ่งใดได้ก็คิดถึงสิ่งนั้นได้ถ้าคิดถึงสิ่งใดหรือตรึกถึงสิ่งใดได้ก็เพลินอยู่ในสิ่งนั้น ถ้าเราจําคำอะไรนะไปจําภาพใดภาพหนึ่งมานะภาพนั้นเนี่ยถามว่าจําแม่นไหมจําแม่นเพราะจำแม่นแล้วก็ใจก็ไหลไปกับสีเหล่านั้นไหลไปกับภาพเหล่านั้นเนี่ยถ้าไหลไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะบรรลุนิพพานได้ไหมไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นพออารมณ์คือสีที่เราคิดถึงบ่อยๆนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความ เพลิเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความเนิ่นช้าก็ครอบงําผู้ที่ไม่รู้เหตุนั้นคืออ ย, อย่าลืมว่าอารมณ์ใดที่เราคิดถึงอารมณ์นั้นแหละทำให้เราช้าไม่ทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้สําหรับคนที่แหมกระหายคือหมายความว่าเร่าร้อนในวัฏฏะเต็มทีเลยเนี่ยเขาจะออกได้ยังไงเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ว่าคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นทําให้ไม่บรรลุนิพพานนนแล้วถามว่ามันจริงไหมอาะมันก็ใช่อ่ะสิอันน ก็เหมือก็ว่าเหมือนอะไรนะเหมือนกับว่าเราเคยไปช็อปปิ้งไหมเสร็จแล้วไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะอันนั่นก็จับอันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ออกจากที่ตรงนั้นสักทีหนึ่งนะต่อรองอยู่นั่นแหละถามว่าจะออกได้ไหมนะเรียกขึ้นรถจะไปต่อได้ไหมบอกมันไปรอกเนี่ยนะนะว่าะมือแต่อะไรนะมือแต่เพลิดเพลิน อ, อ, อยู่นั่นแหละเหมือนกับว่าทาอาหารเมื่อไหร่จะลุกสักทีจะลุกได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ตักอันนันเดี๋ยวก็ชิมมันนี่เดี๋ยวก็คือมันก็เป็นอย่างเงี้แหละมันออกไม่ได้หรอก ท่านบอกว่าตันหาที่ไหลไปในทวาวรหกไหลตาหูจมูกลิ้นเหมือนกับลิงที่ห้อยโหนตามต้นไม้ต่างๆเกาะต้นนี้กะต้นโน้นปล่อยเหมือนปล่อยนี่แต่จับโน้นเรียบร้อยแล้วนะมันไม่กลัวตกมันไม่ยอมให้ตกง่ายๆหรอกจากอัฐวานตามันก็ตกไปทวาวรหูจากทวาวรหูมันก็ตกแต่ละทวาวรมันก็เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีแดงจากสีแดงก็สลับคละเคล้ากันวนอยู่อย่างนี้แหละไม่ยอมปล่อยง่ายๆหรอกถามว่าจะบรรลุได้ไหมอย่างนี้ มันรู้อะไรเพราะมีแต่สีเป็นอารมณ์แต่ว่าสีเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและมานะเป็นต้นกว่าจะรอบรู้ว่ารูปเหล่านั้นเน่ยเป็นของร้อนรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเป็นต้นตัวรูปเหล่านั้นสีเหล่านั้นก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยชาติชราและมรณะเป็นต้นถ้าไม่เจริญวิปัสสนาจริงๆก็เจริญวัตต คิดง่ายๆว่าวิธีสร้างวัตตะทำยังไงทาแบบตอนที่เราไม่คิดถึงคาสอนน่ะทาแบบนั้นน่ะนั่นแหละคือวิธีเจริญวัตตะซึ่งเราชำนาญมากเลยคล่องเลยนะอา้าวคิดถึงคำสอนก็ไม่คิดถึงอะไหนชำนาญ ก, กันอนะันนคิดถึงคำสอนไม่ค่อยชำนาญเลยเงนี่แหละลักษณะว่าอนาคตในวัตตะเราก็ยืดตามนั้นแหละเพราะเราคิดถึงคำสอนในน้อยเท่าใดอันนั้นวัตตะเรายาวเท่านั้น เรื่องนี้ยาวทั้งนั้นอะ่ะแล้วก็คะแนนเหล่านี้ไม่มีใครให้ใจเราให้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเพราะคิดดูว่าถ้าคุณประชุมอารยมักเสร็จก็แปล ว, ว่าทําปริ ญ, ญญาในาศาสนานี้เสร็จถ้าอารยมักไม่ประชุมกันก็บอกว่าว่าก็ดึงเรื่องไปอย่างนั้นแหละตายเอ้าบอกจะตายอยู่แล้วยังไม่เสร็จก็ตายก็ตายไปสิ เ, สเกิดมาคงก็ทําทต่อกันแล้วกันถ้าเจอาศาสนาถ้าไม่เจอก็ยาวหลับต่อไปอีกเนี่ยยาวว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กว่าจะมาเจริญกุศลธรรมเพื่อ นำออกจากวัตตะเนี่ยนะพัะธุ์พงศ์จึงสอนให้อย่าประมาทพันธอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิเพลินนั้นเนี่ยนะอย่าใช่ไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นแม้อารมณ์ที่เป็นอดีตก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิเพลินอารมณ์อนาคตก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินหวังไหมว่าพรุ่งนี้เราจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเลิกหวังละหรือไร้ความหวังหรือหมดหวังหรือสิ้นหวังหรือดับความหวัง มันมีสามอย่างพวกปุถุชนมันมีหนึ่งแหมหวังอะไรก็ไม่ได้ดังใจหวังก็เลยเหมือนกับสิ้นหวังบางพวกก็หวังอยู่ร่ำไปบางพวกก็ดับความหวังได้สำเร็จแล้วบางพวกนี้ก็มาแหมไม่รู้จะหวังไปทำไมทําเป็นไม่หวังแต่ก็หวังนกับอีกพวกหนึ่งอะผ้าอาหารทั้งหลายคือพวกดับความหวังได้สำเร็จนะกำจัดความหวังได้เรียบร้อยด้วยอริยมรรคทาลายความหวังได้เสร็จสิ้นแล้ว มันไม่หวังที่จะเห็นไม่หวังที่จะได้ยินเนี่ยนะแต่การเห็นการได้ยินของท่านก็เป็นไปแต่ท่านไม่หวังด้วยตัณหาแต่ท่านรู้ด้วยปัญญาหวังด้วยตัณหากับรอบรู้ด้วยปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยนะท่านแทนที่ท่านจะเจริญตัณหาท่านมาเจริญปัญญาแทนคือคือไม่ใช่ว่าท่านแหวท่านไม่หวังแล้วท่านก็ไม่คิดอะไรแล้วก็นั่งแบบแหม่นั่งอยู่ตรงไหนก็แผลอยู่ตรงนั้นเลยนะ <S <S คิดอะไรไม่ออกเลยนั่นแหละเรียกว่าดับความหวัง นั่นน่ะเข่าต่างหากพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่อย่างนั้นท่านรอบรู้นะปัญญาท่านไวมากรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดซามประณีตไกลและใกล้ท่านรู้หมดเลยไม่ใช่ท่านไม่รู้อะไรท่านรอบรู้เพราะท่านมีปัญญาแต่ท่านไม่หวังด้วยตัณหาเนีย่ยนะอันนี้อนุภาพของอริยมรรคใน ตรงกลางหน้าที่บอกว่าถามว่าส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้าเกิดพร้อมกับชาวนะหมายความว่าตัณหามาณทิ่ทีเนี่ยเกิดพร้อมกับชาวนะถ้าเช่นนั้นทําไมจึงบอกว่าอาดีตอนาคตด้วยเราก็ต่อว่าเพราะมันเกิดอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าเครื่องเนิรนช้าอันเป็นไปทางจักขคุทวานในบัดนี้ บัตนี้ที่เวลาเราเห็นและชอบสีนี่มาอย่างไงอาศัยตากับรูปเกิดจากขูวิญญาณทำยามสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาสวยอารมณ์กับสิ่งใดก็มีสัญญาในสิ่งนั้นสัญญาในสิ่งใดก็มีวิตกกับสิ่งนั้นวิตกเกิดขึ้นกับสิ่งใดจําได้ในอะไรตรึกถึงอะไรตันหา ม, มานะทิ่ทีจะไปไหนเนี่ยนะเขาก็าไปอยู่แถวนั้นแหละว่า ง, งั้นอดีตเป็นอย่างนี้ไหม รูปที่พึงรู้ได้ด้วยจากสุนัดดิก็อย่างนี้อนาคตต่อไปก็อย่างนี้นั่นแหละทวารหูก็เป็นอย่างนี้แหละทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เป็นอย่างนี้แหละกนทวารจมูกทวารหูลิ้นจมูกลิ้นกายลองยกไว้มาดูทวารใจบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโน มโนวิญญาณเนี่ยนะมโนวิญญาณคืออาวชนะหรือชวนะเกิดขึ้นเพราะอาศัยผวังและธรรมรมณ์คืออารมณ์ในภูมิสมแปลภาษาไทยอีกครั้งนี่บอกความคิดมันจะเกิดขึ้นนะถ้าเราจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมันผุดคิดขึ้นมาตั้งใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิดก็ตามแต่สรุปถ้ามีความคิดเกิดขึ้นอาศัยพื้นเพคือผวังกับเรื่องราวคือสิ่งที่ใจรับรู้ความคิดก็เกิดขึ้นสอย่างเนี่ยนะคือหนึ่งผวัง สองอารมณ์สาความคิดเนี่ยรวมกันอย่างนี้แหละเรียกว่าภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาบุคคลสเสวยเวทนาในสิ่งใดก็จําได้ในสิ่งนั้นเช่นจําเรื่องหมายว่ามีความรู้สึกกับเรื่องใดก็จําได้ในเรื่องนั้นถ้าจําได้ในเรื่องใดใจก็คิดถึงตรึกถึงสิ่งนั้นถ้าตรึกถึงสิ่งใดก็เพลดิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้น มันสัญญาเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฏฐิก็ครอบงาบุรุษเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่ในอารมณ์นั้นเป็นเหตุนั่นเองแปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงนั่นแหละคือการเพราะวัตตะทุกๆความคิดของเรานี่แหละคือการเพราะวัตตะคือการสร้างวัตตะความคิดไหนบ้างที่ไม่นํามาซึ่งตันหาในตอนหลังมีไหมทุกความคิดที่เราคิดได้เป็นที่ตั้งแห่งตันหาซะส่วนใหญ่ถ้าไม่เจริญวิปัสสนานะถ้าคุณธรรมไม่เกิด น, นะ ทุกความคิดโดยที่สุดแม้แต่ความคิดของกุศ ล, ลจิตยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหากุศลจิตยังเป็นที่ตั้งแห่งอากุศลจิตเป็นอารัมมณปัจจัยของอากุศลจิตใช่ไหมอยาม่างบางคนทํากุศลนิดเดียวในแหม่พูดถึงกุศลอันนั้นด้วยตันหาตลอดถามว่ามีไหมบอกมีไม่ได้พูดด้วยกุศลตลอดเวลาที่ไหนพูดอยากอวดม้างพูดอยากโชว์บ้างพูดอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าบางทีก็สิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นที่ตั้งแห่ง อกุศลได้เนี่ยนะพันอารมณ์ทั้งหลายนั้นจึงเป็นอารมณ์ของตันหาเรื่องราวทุกความคิดเนี่ยนะความคิดในอดีตก็เป็นที่ตั้งแห่งตันหาความคิดต่อไปที่เราจะคิดก็เป็นที่ตั้งแห่งตันหาทุกทุกความคิดที่เรากําลังคิดอยู่นี้อยาอยากคิดว่าตันหาจะพลาดเขาไม่ยอมหรอกตันหาโมโคโจรท่องเที่ยวนี้ใช้คําว่าตันหานีแม่พูดเป็นภาษาธรรมะนักเกลียดหนัาขยะทะแยงเพราะอะไรนะเพราะเราฟังคําตามพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเป็นพูดแบบภาษาเราๆไ้มโอ้ยลึกซึ้งยชอบเนี่ยนะนวันนัน้คิดงั้นได้ยังไงชอบความคิดตัวเองมากอะไรที่ตัวเองเคยคิดมานะชอบเห็นด้วยยอมรับดีไม่ปฏิเสธหรืออะไรก็ตามถ้าเราจะคิดนะโอ้ยดีมากเนี่ยนะไอการที่เราชื่นชมนั่นแหละใช่เลยวะตะัตต